การตั้งใจฟังเทเสศนาถึงเรื่องอ น, นัตตาให้ฟังควมเป็นจริงเทศสศนามามากแล้วเทก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทเกี่ยวไปเรียนมากับของเก่านั่นแหละคือไม่นี้จากตัวของเรา วนเวียนเนี่ทั้งเรื่องตัวของเราธาตุ 5, 4, ดินน้ำไฟลมไงชนะนนขันอายชนะอยู่ในนี่แหละไม่ได้อื่นเกลนอะไรหรอกแต่ว่าฟังลืมลืมของเก่าไต่ฟังเขาก็เขาเจะเป็นของไหม่ตัวของคนเรานั้นเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความจริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตกันหนึ่งเท่านั้นเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่วข้างชั่วคราวเหมือนกันกับไปตลาดหรือไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็ฝากอามว้ใส่จัดเจ้าแล้ก็ นิ่ไปวานเขาก็ไปทำกินแล้วก็หมดวันหน้าเมา่กี้เก็บอีกทีหนึง่งเก็บแล้วก็เช่าไปเก็บอีกทีมันตัวของเราก็เหมือนกันนะั่นแหละเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่เข้ไปในปากถาวรเนี่ยมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งต้องใส่วันหนึ่งวันหนึ่งต้องใส่สองขนสามขน มันก็ไม่อิ่มไม่พอเป็นสักทีจะเติเจแจวเทนเทศจะนาว่าขุกข่าลันตังสุข่าลันตังไหลเข้าไหออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระท่ยสองปากเหมือนกระถ่ายเขา้เขามีกระถ้าเข่ามสองปาก ใส่เข้าไปทางบนที่มันเกิดไห i, ลลงไปข้างล่างก็พออกไปอีกก็ใส่อีกตั้งแต่นี้จะไรมาตอนนี้ตั้งอา่าสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรจะไหลต้องไปเท่านั้นอนี้เต็ ม, มไม่พอไมสักทีท่านยังตั้งลูกปมาประมาทไว มีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยปึกษา้าลือกันอันตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆทายหาเห็ น, เ ห, นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามาหาใกล้หาไกลหาสิ่งในแต่ทั้งฟวงหดทั้งหยาบละเอียด ตาเห็นแล้วก็ชอบใจคำว่าชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคิดใจมันชอบตั้งหกักมันชอบใจใจเพราะมันชอบอาไม่ชอบหรอกเหนอะไรจะเห็นอย่างนั้นเน่ะตัวใจแล้วหายไปนคนชอบมันชอบใจแล้วก็ใจในะ บ, บังคับให้มือไปหยิบเอา ยิบมามาเข้ามาใส่ปากเขามาใส่ปากแล้วก็เอา้าเข้าไปปั้นขดแหลกแล้วก็คืนลงไปลงไปอยู่ในกระเพาะจะอยู่ชั่วคู่ชั่ว้าวนึงแล้วก็หายไปคือถ่ายไปถ่ายเทไป ว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกันตาอารบอกว่ายังจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบอะ ไ, ไรกาเห็นเลยกะมืดตาเป็นคนจิบจฉาเฉยไม่รับชอบอะไรหรอกมันก็สอนเข้าไปใสปากกับเที่ยวฟันมันก็เที่ยวเฉยๆไม่ได้รับผิดชอบไไ อ, อไบบะ ไ, ไร เป็นนอนในรำใจเป็นนอนในกับพ่ออาหาแล้วมันก็นมันนอนนี่แล้วคือหนึ่งแม่เศไปไหนลุงเช้าแม่เศร้าไปไหนโดยมันมีใครรับผิดชอบแค่คนเดียวแวท้จริงคือผู้ใจนะตังหะใจได้เป็นคนรับผิดชัดรับชอบ คือตาเห็นนั่นคือใจนั่นแห่ะเป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกนใจไม่มีแล้วก็ดูว่าอะไรไม่ออกมือก็ยิบใส่ปากไม่ได้อท่านใจไมมีแล้วก็ตายฟันก็เคี้ยวไม่ได้น ด, ดำคอในที่ไหนมันจะกืนได้กืนออกไปก็ไม่ได้ทามันตายซะ ก็อาหารมันจะไปรับรองได้ไงไคืนไม่ได้มันก็นไม่รับรองอะไคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นตัว อ, อยู่ล่างไปจึงตั้งหากเลยการมีประกอบกันเา้ารจึงทำให้จึงสำเร็จอาหาร ไม่อสาวจะเลี่ยงไหนละครตอนก็ไปถึงฝ่าแล้วตอไม่สาวเขาไปไหนหายหมดเพรานั่นเป็นเรื่องของเขาตัางหาที่น้ําไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันตัางหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้ มันคาดมันเลยไม่หล่อเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างไม่ได้ทั้งหมดนั่นเป็นเองของมันต่างหากนั่ น, นจริงว่าอนัตตาของมันนั่นไม่ใช่ของใครทั้งหมดคนที่ทกเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตา อันนั้นทกเถียงก็มีที่จินสุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้อย่างไงอนัตตาท่านไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาใ่ของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหากเด็กนั้นคนเถียงกันกระจนในสมาคมแล้วก็จน แต่กมาครมนั้นเถียงยี่ป้านในวันรกบ้านนั้นเมืองนั้นแตกอ่ะปวดได้เตือนดูปวดได้เตือมันเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าตาบอกทําช่างคนได้จับคนไดได้ก็ว่านั่นอะไรพวกถูกจับงวงจับอาจับขาเลยได้ก็ว่า ขาเนี่มันก็เหมือนกับขานี่มันก็สูบนี่มันไปจับหูได้ก็เหมือนกับดุ้งพดเขานี่นจับงานได้ก็นมันก็สากอะไรต่างๆไปโตเถียงกันใหญ่โตเขาทานไม่ตกไม่ลงกันขันหากว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้ว ภาพสี่ดินน้าไฟลมคือตัวของเราเนี่ยแหละเป็นหลักอยู่ใค้บอกเมื่อไดก็ต า, ามใหฟังอย่างอธิบายแรวย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมศู์ดับไปก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของ ม, มันเกิดขึ้นมาก่อนเกิดจากปัจจัยอวิชาดันหาอวิธาน นั่นเกิดขึ้นมามันดักไปแล้วพอจันรหาวิชาวประธานดักไปเอาตัวนี้เปตั้งเอาเป็นตัวกลางเลยท่านพูดอย่างนี้มันก็ลงลอยกันนล้สิมนต์ตาเป็นตัวนี้งก็หลงลอยมน้์ตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเ็โต้กันไป ทันถ้าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใช้พูดกระูกกมดทุกคนทาที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เข้าใจอนัตตาหาว่าของไม่มีเสื่อมสูญหมดงมมาอยู่เพียงแค่นั้น พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจต่างเป็นจริงของมันจริงออย่างนี้ก็ไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนี้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นนี่แหละอที่มันซึ้งเนี่ยเพราะจิตใจต่างหาจิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปเลยจีบข่านไม่จิตใจไม่ได้เตรียมกับธรรมกายมันดานี่แหละ นยาพรองสอนรูปกายเนี่ยเป็นอนาาาัตตาแต่ธรรมดาเนี่ยันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่แกต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณาเพราะสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหาพิจารณาซึ่งข้าไปโอ้โหมะขอมันละเอียดลึกซึ้งมาก มันเกิดมาได้ชื่อว่าเกิดมาได้เบื้องตน้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะเบื้องต้ น, น, ตนแต่ประฏิสนธิครั้งแรกมันกเกิดมาได้ก็ดับมืาอ น, นั้นน่อยแต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับเกิดขึ้นมาอยู่ในคันอยู่ในแก่มาได้แต่คันนะเจ็บมาได้แต่คันอยู่ในคัน ตายไปแล้วตายโดยลับมา้แต่นนนเนียคันคนนี้คันไม่แก่มันก็นไม่คอดอมันคลอดทำอะไรก็คอยเติบโ ต, ตขึ้นมาโดยลำดับตามสภาข้ามคนที่หลงว่าตนไม่แก่้ตงว่าไม่เท่าหลงตนนวาไม่ตา ย, ยานะความหลงต่าง มันตายก็โดนดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ในนี้ก็ตายเลยตั้งหลายช่วโมงแล้วคองมปกปิดกำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิฉันนชลาปฏิฉันในะวรณะปกปิดกำบังไว้ไม่ให้เห็น นี่แหะเทศนาให้ฟังถึงเรื่องอนตัตตาให้พิจารณาดูในนี้ที่เราเกิดที่เราทําที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อย่างที่เราเป็นเดี๋ยนี้แหละอาหารที่เรารับประทานนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถกินล้วนนะั่นแต่เพื่อปากเพื่อท้องทนะถ้าไม่เพื่อปา่าเพื่อทองเนะ้าก็ไม่ทาําแล้ว ตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรหรอกไม่เห็นถ้าใจแบบนี้ก็ไม่เห็ น, น, น, น, ม, หนมือไปหยิบไปใส่ปากมือนั่นก็ตัวใจได้บังคับพใส่ปากแล้วเคี้ยวไปกับปากนั้นเกิดตัวใจนั้นได้พาเคี้ยวถ้าใจนี้นก็ไม่เคี้ยวหรอกปลื้มลงไปอยู่ในลําไส้ นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอั น, นเรื่องทุกข์มันหยุดตามอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ใอืนน่นไกลเขายังมาไปส่งทุกข์เช้ามัน ก, ก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ครั้งหนึ่งวันละหนึ่งไปส่งอะไรก็กลับถึงมาหาอีกวนเนี้ยงออย่างนี้เนี่นี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เรา ใจนั่นน่ะมันเพียงได้โมโหละเพียงแค่นี้ไม่หาแตแหวงหาดีหาคุณงานคนดีเ พ, พื่อประยชน์ขตนหาเพื่ประโยชน์ของเขาท่า น, นีกมดเรื่องหาไปจังหัดเทเพื่อร่างกา ย, นนยก็ในกมดัดไม่มีอะไรหรอกคิดเหลือตายแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปดิควรที่จะเห็นถรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงปิดจริงจาก ต่อตรงจิตยังจะโล่งใจยังจะเบิกบาน เ, าเทศนาถิรก า, ารนั่งภาวนาจำเป็นเนี่ยต้องต่อสู้กันเบื้องต้นต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามัดสุขสบาย เวลานั่งสมาธิแล้วเิดมันเดือดร้อนเป็นทุกข์พุ่มใจไม่อยากต้ภาวนาอันนี้เรียกว่ามันใช้เรามันใช้ให้เราทุกข์ทนทรมา น, มนหลายภพหลายชาติมา่ได้ใช้ห้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวนาไม่ต้องไปจนต่อสูข อยู่แต่อำนาจของมันนึกว่าสบายแล้ว <c oughs> แท่จริงนั้นการต่อสูน้นันเป็นเรื่องเอาชนะมันหาแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อย ม, ม, มันปวดแขนปวดขาอะไรต่างอย่าพิจารณาเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขา นั่นเป็นเรื่องของเวอวนั่นไม่ใช่ของเราหรอกมันถ้งเป็ี่ยนอย่างนั้นเน่ยเราไปยึดไปถือต่างหากถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเก็บเก็บไม่มีหรอกเห็นเป็นหน้าตายึดไปถือเป็นตนเป็นตัว เราคำน ốt ปีญ า, านาป่าสติคำน ốt ลมหายใจเขาออกเท่านี้ละท่านเราคำน ốt ลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของภายนอกมันก็หายไปนั่นแหละจ้อย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็น เ, เด็กอยู่เนี่ยดูหนังสือกับเพื่อดูกัะหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืม ทันเข้าไปอันนี้อาการที่ยึดเราไปเคินไปไปยึดยิตเราไปที่เจนาณาทังเรื่องความรู้อันนั้นอยู่นึกเอบพุทธโธนะนนึกเอานาป่าสติไปกาหนดเับพุทเอาอะไรอารมณใจนล้วอาการทั้นฟวงมันก็หายหมดเท่านั้น จิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็นั่นแหละพูดว่ให้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านท่านยังว่าจิตกับใจไป็อันเดียวกันนับไปตามใจไม่นึนเรงจิต ไอ้แม่ไม่ตามด้จิตไม่นึ่ยเป็นใจนั่งเลยไม่อยู่ไอ้คำนวณเราเจใจเท่านั้นน่ะจิตมันก็หายหมดมันแค่อยู่นิ่งเฉยเค่นั้นใจถ้าหากจะรู้จะรู้เรื่องของใจน่ะนะลองกําหนดลองดูเดี๋ยวนีเเวนเนน้เอาเดี๋ยวนี้หละไม่ต้องเป็นไกลแล้วคันลมห้ใจสักพัดหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้ มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรจะได้รู้เฉยรู้สึกว่าใจก็รู้สึกแล้วนะ่ะตัวใจแล้วนะ่ะมระบายลมองไปมันตกภายตามจิตหรือสิคะนิ่งตงใจไปตามอาการของจิตคุงแต่งนึงกอคิดจะแรต่างว่าแฉกตามประกรากร ยิงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่ อ, อใจอยู่แล้วมันก็วางมดของกันะขอ ง, ลองหลงมดมันก็ไม่มีตัวใจนี่สำคัญมากถ้าหากพิจารณาละเอียดทีท่วนมันคุ้มจิตให้อยู่กับอานาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนั่นแหละ สติสมาธิรวมกันลงเป็นใจนั้นหมดสติกับใจได้รวมใจกับจิตลล ไ, จได้รวมเป็นใจกันท่านี้อยู่นานากันหลายชั่วโมงอันตริกันเราไม่ใจเ น, นีพอให้ให้รู้เรื่องมาได้เฉยนี่แหละใจตัวนี้ดีเหมือนกันเนะี่ยเรากำหนดใจสนนั้นได้แลนะ้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขงึขง้นมา กั้นเราไม่ใจหายมั้งมันเกลียดมันโกรธมันหายหมดกั้นเ ร, น ร, ราไมใ่ใจเลยครั้นั้นไม่หายกตกัน้นนานๆหน่อยมันกลัวใจมันเกิดหายทันทีลงเล่นได้กั น, นดีเลยก่อนอา้าวนั่งพิจารณาขับรถพิจารณา